คืนเดือนเพ็ญแสงเย็นให้ใจบำเพ็ญภาวนาน้อมใจน้อมกายตามรอยบูชาเธอทูลในพระบุญญา ศัทธาด้วยหัวใจสมทาสายทานที่ยังรินไหลสมคำสมยาเปรียบไว้พระญาณสังวรจริหนึ่งร้อยพระชนสาสุขลนในพระเมตตาสังคบิดาคอยพรำสอน ชาติเรายังคงบวชนหากทำเน้นกรองหัวใจประชาแสงธรรมนุ่มนวลอุ่นในดวงใจแสงได้เสมอได้ด้วยแสงปัญญาแสงบุญแห่งใจร้อยเรียงศรัทธาจุดแสงธรรมเพื่อบูชาองค์สังฆราชา สุขล้นในพระเมตตาสังคบิดาคอยประคำสอนมันไว้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวชนหากทำนั้นกรองหัวใจประ สุขล่นในพระเมตตาสังคบิดาคอยพรมสอนมันไว้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวรหากรรมนั้นกรองหัวใจประชามันไว้ในธรรมทุกตอนชาติเรายังคงบวรหากรรมนั้นกรองหัวใจประชา